วันนี้อาตมาเอาบทความเรื่องนึงมาให้พวกเราลองฟังกันดูใช้ชื่อว่าเทน้ำใจที่จริงอาตมาเขียนไว้เป็นตอนๆทั้งหมด 4, 4ครั้งนะงวดตอนนั้นเขียนลงหนังสือดอกย้าเขียนไว้ตั้งนานแล้วตั้งแต่ปี2531 นี่เป็นเท่าไหร่นี่มัน45เท่าไหร่10 14ปีมานะ้วตอนนั้นเขียนนี่เอาแบบของหลายๆศาสานามารวมกันแต่ว่าเจตนาก็เรื่องของการเทน้ำใจตอนรวมใจรักมีชื่อตอนด้วยนะคือจะใช้คำว่าเทน้ำใจเทน้ำใจเนี่ยเ ท, เทน้ำใจ1 2 3 4 แต่ในแต่ละเทน้ำใจจะมีเป็นตอนตอนตอนแรกนี่เรียกว่ารวมใจรักก็ลองฟังดูแล้วกันนะเขาขึ้นต้นด้วยว่าน้ำใจไมตรีความดีคุณธรรมปรมาจันทร์าศาสนาล้วนมีการกระทำอันเป็นความหมายเพื่อเป้าประสงค์เดียวกันก็คือมุ่งเพื่อประโยชน์ ตนที่ดีและเอื้อเฟื้อสังคมให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขโดยไม่เกี่ยงที่จะเป็นเชื้อชาติใดชาวประเทศไหนนับถือาศาสนาของาศาสดาใดก็ตามทุกาศาสนามักจะมีแนวหลักร่วมกันมีความคิดเห็นสอดคล้องกันเป็นส่วนใหญ่จะมีแต่รายละเอียดติีกย้อยที่แปลกแตกต่างกันออกไปเท่านั้นคือ ย่อหน้าแรกเนี่ยนะหมายถึงว่าแต่ละศ า, าสนาไม่ว่าจะอะไรอะ่ะพุทธคริสต์อิสลามนะหรือจะศาสนาอื่นอีกบาไฮคงจื้อเตา่าหรืออะไรอีกอะ่ะที่จะมีอีกเยอะแยนะแต่ละศาสนาเนี่ยเป้าหมายที่สําคัญที่สุดที่เราเรียกว่าศาสนาก็คือคือให้ คนเนี่ยมีพฤติกรรมคือเป็นกายวาจาแล้วก็ใจเย่นี้แหละนะไปในทิศ ท, ทางที่ดีอันนี้คือคือเป้าของศาสนาแล้วถ้าจะเรียกว่าศาสนาก็ไม่ได้คนเดียวด้วยนะถ้าสมมติว่าทำได้อยู่คนหนึ่งก็ถึงเดียวแค่นี้อันนี้ไม่เรียกว่าศาสนาท่า น, นศาสนาที่จะต้องหมายถึงว่าคนอื่นๆก็ต้องทำได้ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใชศาสดาทาได้อยู่คนเดียวแล้วคนอื่นทาอะไรไม่ได้ นะ่ไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็เป็นอย่างนั้นได้อันนี้ไม่ไม่เรียกว่าศาสนาเพราะฉะนั้นคำว่าศาสนานี่เป็นชื่อที่ยิ่งใหญ่นะหมายถึงว่าคนมารวมกันเป็นจํานวนมากนะ่ไม่น้อยเลยแล้วก็มีผู้นําแล้วก็มีผู้ตามที่สามารถปฏิบัติได้ตามนั้นนะ่าจึงจะเรียกว่าศาสนาไม่ใช่ว่า มีคนเดียวเสร็จแล้วก็สอนคนอื่นได้รู้ได้เข้าใจหรือว่าได้ศรัทธาแต่ปรากฏว่าไม่มีใครเลยที่จะทําได้อย่างอย่างศาสดาที่สอนเอาไว้นะหรือไม่สามารถที่จะทําได้ได้อย่างนั้นแล้วก็ไม่มีทางที่จะทําไปได้ถึงด้วยคือถ้าอย่างนี้ไม่อะนะเป็นเป็นศาสนาอย่างอย่างนั้นไม่ได้นะอันนี้ให้เราเราเข้าใจครับว่าศาสนาก่อน แต่ท่นี้ผู้ไฝ่ดีมีน้ำใจจึงไม่ควรทำใจคับแคบควรเข้าประสานจุดร่วมให้เกิดความสามัคคีกันให้จงได้ดังคำที่ว่าพวกเจ้าทั้งหลายจงทรงไว้ซึ่งศาสนาแต่อย่าแตกแยกกันในเรื่องนั้ น, อ, น, น, นอันนี้เป็นคำของพระอัลลอฮ์นะในศาสนาของอิสลามคือศาสนาของอิสลามเนี่ยเาจะมี เขานับถือเรียกว่าเหมือนกับพระเจ้าเนี่ยนะแต่ว่าเป็นพระเจ้าองค์เดียว เ, เขาใช้ชื่อเรียกว่าอันเลาะหรือบางทีก็อันลออะไรอย่างเงี้ยนะคือพระอันเลเนี่ยท่านก็สอนไว้ว่าเนี่ยคือถ้าขึ้นชื่อว่าศาสนาแล้วนะจะต้องไม่มีการแตกแยกกันหมายถึงว่าใครก็ตามอยู่ในศาสนาอะไรอย่างเช่นศาสนาคริสต์หรือศาสนาพุทธ นะไม่ใช่ว่ามาทะเลาะกันเนี่มันเป็นเรื่องที่ตลกนะเพราะว่าศาสนาเนี่ยเป้าหมายบอกว่าสอนคนให้ดีใช่ไหมก็ในเมื่อสอนคนให้ดีอ่ะก็ศ า, า, าสนาศาสนาคริสศาสนาอิสราเอก็สอนคนให้ดีอา้าก็ในเมื่อสอนคนให้ดีทำไมศาสนาทะเลาะกันอะ่ะหรือเกิดสงครามศาสนาขึ้นมาอย่างนี้อา้าอย่างนี้ไอ้อย่างนี้มันจะดีหรอ ส่วนใหญ่ที่จะทะเลาะกันหรือว่าเกิดสงครามกันขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่อจะดีหรือว่าไม่ดี อ, อ่ะเอมันไม่ดี อ, อถ้าได้ชื่อว่าเป็นคนดีเนี่ยไม่ควรจะต้องมาแตกแยกกันในเรื่องของศาสนา <c oughs> วันพระพุทธเจ้าของเราก็ตามเนี่ยท่านจะใช้วิธีการเชื่อว่าถ้ามันมีความแตกต่างกันส่วนไหนที่แตกต่างกันเนี่ยท่านก็จะแบบว่าเออยกไว้ยกไว้ ไ, วไม่ไม่ไม่ต้องมาพูดเรื่องนั้นมาก หรือว่ายกเอาไว้เลยคือไม่ต้องพูดเลยก็ได้เรื่องนั้นเพราะทุกศาสนาต้องมีความแตกต่างแต่เวลาผู้เจ้าเนี่ยถ้าไปคุยกับเจ้ารัตที่อื่นน่ยหรือว่ากับศาสนาอื่นเพื่อนงท่านจะคุยจุดที่ร่วมกันได้จุดไหนที่เห็นร่วมกันได้เออคุยกันตรงกันเพราะบอกแล้วว่าก็เมื่อมุ่งหมายที่จะให้คนดีด้วยกันฝึกฝนกายกรรมวิจีกรรมหรือว่ามนโนกรรมดีด้วยกัน อา้าวยังไงเนี่ยพฤติกรรมต่างๆโดยส่วนรวมของแต่ละาศาสนาจะต้องมีจุดอันเดียวกันอันนี้ <c oughs> ที่จะแบบว่าทำให้เรียกว่าคุยกันได้นะคุยกันได้แล้วก็สนิทสนมรักใครชนิดที่เรียกว่าเออก็เป็นคนดีด้วยกันน่มีาศาสนาด้วยกันทั้งคู่เพราะส่วนใหญ่ที่เราจะมีปัญหา แล้วที่จะทะเลาะกันจนถึงขั้นสงครามศาสนาเนี่นะไม่ใช่อื่นหรอกมันเป็นเรื่องของคนไม่มีศาสนาที่จริงแล้วเป็นเรื่องคนไม่มีศาสนาเชื่อไม่แล้วว่าศาสนาแต่เราศาสนานเนี่ยเนี่ยต่อให้เราอาจจะเคยยินได้ฟังมาบ่อยเรื่องของศาสนาอิสลามเนี่ยที่ถึงขั้นเขาโอโ้กว่าจะต่อตั้งมาได้นี่เขาต้องสู้รบกันทาสงครามกันเนี่ยแต่โดยเนื้อแท้แล้วที่เขาสอน เขาก็มุ่งที่จะแบบว่าไม่มาเบียดเบียนไม่มาฆ่าแกงกันเรียกว่าทําไม่ไม่บีบดคั้นกันจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่มาทําร้ายทำลายกันนะเพราะฉะนั้นในที่สุดเนี่ย เ, เขาประกาศศาสนาของอิสลามสุดท้ายตอหลังเนี่ยเขาก็เลิกก็ไม่ไม่ไม่พยายามที่จะให้มีการสู้รบกันง่ายๆหรือว่าฆ่ากันง่าย แต่มันก็เป็นวิบากอย่างของทางด้านศาสนาอิสลามเขานะี่ยที่โอ้โหกว่าจะตั้งมาได้นี่เขานับถือทเทพเจ้านับถือศาสนาอะไรเนี่ยเยอะเยอะมากเลยเยอะจนกระทั่งอู่ฮูกว่าเขาจะมารวมได้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเป็นศาสนาอิสลามได้ยากมากๆอย่างของพุทธเรานี่จะต้องมาสู้กับอะไรบ้างนะไม่ต้องสู้กับ ห ม, หมายถึงว่าเมืองไทยนี่ยนะนั่นเราก็เป็นรับมาจากอินเดียลังกานะแล้วเราก็เอามาใช้เอาเราสู้กับพรามณนะ์ศาสน า, าพราหมณ์พราหมณในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่เยอะเลยแม้ทุกวันเนี่ยประเพณีหลายอย่างก็เป็นของพราหมณ์ซึ่งซึ่งคนก็เอามาใช้ปนเปกับพุทธจนบางทีพระเนี่ยแหละ ที่ที่ที่ทำยันยานพิธีอะไรต่างๆเอาพรามณ์มาทําจนคนนึกว่าเป็นพุทธไปแล้วจะเรื่องกรวดน้ําก็ตามเอาเนี่ยยังกรวดน้าเนี่ยเป็นของของพรามเขาไม่ใช่ของพุทธศาสนาพุทธเจ้าไม่ไม่มีการมากรวดน้ําซึ่งอันนี้เอาปนเข้ามาเจนกระทั่งพวกเราคนนึกว่าเป็นของพุทธแล้วเพราะเนี่ยมันจะปนเปเข้ามาแต่อย่างน้อยเนี่ยจุดที่เหมือนกัน อาละมาร์กเคยพูดให้ฟังบ่อยว่าแม้การกวดน้ำเนี่ยของศาสนาพราบเขาเพราะของเขาเนี่ยนับถื อ, อ, อแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์แม่น้ำคงคาอะไรต่างเขาก็มีเขาเรียกว่าน้ําเป็นกรสินนะอย่างเช่นลงไปอาบในแม่น้ํำศักดิ์สิทธิ์นี่แล้วก็ถือว่าเป็นการล้างบาปเป็นการลอยบาปไปก็เป็นความเชื่ออย่างของเขาแต่เจตนาล่ะเราลองนึกไปถึงเจตนาคือคือเขายัางติดอยู่ใน ใช้น้ําเป็นสื่อก็ตามแต่เจตนาล่ะเจตนาเขาก็เพื่อให้ลอยบาปไปอย่างเงี้ยเอาใช่ไหมหรือว่าล้างบาปออกไปเอาซึ่งก็ก็เจตนาดีใช่ไหมเพียงแต่ว่ายังติดติดในอไอ้น้ําเป็นสื่อแต่ศาสนาผู้ผู้เจ้าท่านไม่ต้องใช้น้าเป็นสื่อท่านก็ใช้ให้ทําดีใช่ไหมล้างบาปก็ต้องล้างด้วยการกระทําดีของตัวเองล้างจิตล้างใจเราเนี่แหละ มันไม่ต้องไปใช้น้าไม่ต้องไปใช้วัตถุอะไรอย่างอื่นซึ่งอันนี้นนคือความแตกต่างคุยกันได้ไหมคุยกันได้ ถ, <c oughs> ถ้ารู้จักคุยถ้ารู้จักคุยถ้าคุยกันได้แต่ถ้าคุยไปเป็นโอ้ทะเลาะกันจริงๆเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยเป้าแรกเนี่ยที่ยกของพระอเาะมาเนี่ยดูน่นของอิสลามเขาเนี่ยพวกเจ้าทั้งหลายจงทรงไว้ซึ่งศาสนาแต่อย่าแตกแยกกันในเรื่องนั้น คือคือคืออย่าเอาเอ า, าศาสนามาอ้างแล้วก็กลายเป็นมาทะเลาะกันหรือว่าเอามาอ้างแล้วก็กลายเป็นอะไรอ่ะเกียดชั่งหรือว่าทำสงครามกันอะไรอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วอันนั้นไม่ถูกวันอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป้าแรกนะที่ที่ยกตัวอย่างอันนี้ขึ้นม า, าเสร็จแล้วก็เขียนต่อไปว่าคนที่มีาศาสนาทุกคน จึงไม่ควรทะเลาะวิวาสต่อกันทิมแทงกันให้เกิดความเสื่อมศรัทธาในศาสนามิฉะนั้นผู้ไรศาสนานั่นเองจะเป็นผู้ครองแผ่นดินนี้โดยอธรรมจะยังความทุกข์ยากให้เกิดแก่ชนทั่วล่าความกัดแย้งกันในเรื่องเล็กน้อยนั้นจึงควรอดทนอดกลั้นและพยายามกำจัดออกไปเสียเพื่อรักษาหลักใหญ่ซึ่งสำคัญเอาไว ให้หนักแน่นมั่นคงสื่อไปดังคํากล่าวนี้นักสู้ที่ดีไม่โกรธง่ายผู้พิชิตที่ยิ่งใหญ่ไม่สู้ในเรื่องเล็กน้อย <c oughs> เอออันนี้ของเหราจือหน้าของเตา๋าเออคาพูดดีนะนักสู้ที่ดีไม่โกรธง่ายผู้พิชิตที่ยิ่งใหญ่ไม่สู้ในเรื่องเล็กน้อย จริงไหมนักสู้ที่ดีไม่โกรธง่ายแสดงว่าถ้าโกรธง่ายเป็นไงฮะถ้าใครเนี่ยโกรธง่ายไปยังไงนะเป็นนักสู้ที่แย่เป็นนักสู้ที่เลวไม่ใช่นักสู้ที่ดีล้ ว, ลวเพราะฉะนั้นเนี่ยสู้นี่โดยเฉพาะสู้กับอะไรเนี่ยโดยเฉพาะสู้กับอะไระสู้กับกิเลสตัวเราเองเนี่แหละนะ สู้กับความโกรธเนี่ยแหละสู้กับความโกรธของเราคือคนเราเนี่ยมันมกกักจะเผลอพอเวลาไม่ถูกใจไม่สมใจนี่เป็นไงที่เราโกรธเนี่ยเราโกรธเพราะอะไรเออเราโกรธเพราะไม่สมใจแล้วเราจะไปเล่นงานคนอื่นเขาใช่ไหมวันอะไรที่เกิดก่อนความไม่สมใจใช่ไหมคือใจเราเนี่ยแหละที่มันไม่ถูกใจไม่พอใจมันเกิดที่ใจเรานี่ก่อนแต่พอเกิดปั๊บเราจะเล่นงานคนอื่นเขาที่จริงๆต้องเล่นงานอะไรก่อน ต้องเล่นงานใจเราก่อน <S <S ใช่ไหมละ่ะวันของเขาน่ยจาเลยที่สองคนอื่นเนี่ยจำเลยที่สองแต่จำเลยที่หนึ่งคือคือเราคือใจของเรานี่แหละว่าเอ้าทำไมโกรธง่ายอย่างนี้เราทำไมไม่สมใจอะไรอึดอัดฟุตฟิตโ ฟ, ตฟไฟอะไรกันนักแม้พอเจอปั๊บก็เอาเลยจะเล่นงานคนอื่นก่อนเลยนะัอาตมาพูดบ่อยว่าอะไรนะมันเป็นสำนวนนะที่ท คนไทยก็ใช่กันบ่อยถ้าเจองูก็เจอแขกตีอะไรก่อนตีแขกก่อนนะตีงูทีหลังเอ่อทำไมตีแขกก่อนฮะทาไมตีแขกก่อนเอ้าสำนวนเนี่ยบางทีพอพวกเราฟังไปพวกเราก็คําๆนะแต่บางคนไม่รู้จริงๆนะเอาไหนใครใครไม่รู้บ้าง โอ้โหตั้งเยอะเนี่ยนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แขแกเจ้าเล่ห์นะเขาใจผิดทำไมเขาถึงตีแขกก่อนอ่าคือมันเป็นสำนวนที่เขาใช้กันคือคือคนอินเดียที่มาอยู่เบอร์ไทยแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาขยันไงเขายยิบทามาหากินเสร็จแล้วปรากฏว่าบางทีเขาพอมีเงินทองมีทองขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเขาก็ปล่อยให้กู้เสร็จแล้วก็พวกพวก คนไทยมั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่ละไปกู้ยืมเข้ามาเสร็จแล้วก็โอ้โหเขยันทวงขยันเก็บดอกเบี้ยนะขยันต่า ง, างๆนานาเขยันจริงๆเพรา ะ, ะนั้นเขาเลยบอกว่าถ้าเจองูก็เจอแขกนี่เขารีบจัดการแขกก่อนงูนี่เขาจัดการทีหลังเพราะงูมาทวงดอกเบี้ยไม่ได้ <laughs> แล้วก็สำนวนอีกอย่างก็หมายความว่าคือคื อ, ค, อคือบางที ดุดุอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดุกวา ง, งูเขาบอกว่าคนอินเดียหรือว่าคนแฉงเงี้ยเหมือนกับดุกวางงูเขาก็เลยบอกว่าให้จัดการก่อนเพราะฉะนั้นคราวนี้กลับมาที่เราบอกแล้วว่าจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยใจเราที่เกิดก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นจัดการนี่จัดงาจัดการใจเราก่อนไม่ใช่ไปจัดการที่คนอื่นเขาแต่เวลาเราเนี่ยเวลาเราโกรธอะไรขึ้นมา เรามักจะเห็นคนอื่นเป็นเหมือนเป็นเหมือนงูที่เราคิดว่าควรจะจัดการก่อนถ้าถ้าโดยทั่วไปแล้วนะถ้าโดยสามัญเนี่ยเราควรจะกลัวงูมากกว่าใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเรากลัวแขกมากกว่ากลัวงูเพราะฉะนั้นคราวนี้คนอื่นก็เลยเราเห็นคนอื่นกลายเป็นเหมือนกับเราเจอแขกเพราะฉะนั้นถ้าใจเรานี่คืออะไรละใจเรานี่เป็นงูนะเป็นอาศรพิษแล้ว เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปเล่นงานคนอื่นเขาเรานี่แหละกาลังโดนงูฉกกัดตายละตอนนี้เพราะถ้าเราเนี่ยเข้าใจนี้ได้เราจะได้เออแวววายขึ้นมาพอเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาเนี่ยเพราะ น, น, นักสู้ที่ดีจะไม่โกรธง่ายนะถ้าจะโกรธทันทีโอ้โหยากต้องโดนยั่วยุโดนแย่โดนอะไรต่างๆขนาดพ่อท่านบอกว่าพระโสดาบัน พระโสดาบันเนี่ยหมดโกรธหรื อ, อยังยังนะคําว่าหมดโกรธหรื อ, อยังเนี่ยหมายถึงว่ากิเลสหมดรหรื อ, อยังถ้ากิเลสยังไม่หมดโกรธได้มีสิทธิ์โกรธนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโดนยั่วยุโดนยั่วยุโดนยั่วยุโดนยั่วยุซ้ําซ้อนหลายๆทีเข้าหลายหลายทีเข้าพระโสดาบันไม่อยากเบียดเบียนไม่อยากไปทําร้ายไม่อยากไปโกรธใครหรอก แต่โดนยัด่วดยุดดยดดยจนเกินความสามารถที่ตัวเองเก่งที่จะระ ง, งับจิตของตัวเองได้แล้วเนี่ยไม่ไหวจริงๆมันก็ระเบิดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจะถึงจุดนั้นเมื่อไหร่เนี่ยโกรธยากจะไม่โกรธง่ายๆหรอกว่านักสู้ที่ดีเนี่ยนะถ้าถ้าประพฤติปฏิบัติคอยมีสติคอยเตือนตัวเองแล้วก็จับจิตฝึกจับจิตของตัวเองบ่อยๆบ่อยๆ จะรู้เลยว่าอา้าวเกิดแล้วเกิด ล, ดล้ความอึดอัดความไม่ชอบใจความไม่สมใจความไม่ถูกใจพอเกิดปั๊บเล่นงานจิตของเรานี่ก่อนเลยจิตที่ไม่ดีคนอื่นนี่จะตัดรอบไปเลยไม่ยังไม่ไปใส่ใจยังไม่ไปสนใจหรอกนะเพราะฉะนั้นจะรีบเล่นงานจิตของเราเองจิตที่ไม่ดีเนี่ยในส่วนที่ไม่ดีแล้วเอาอะไรมาเล่นงานเน่ยเอาอะไรมาเล่นงานความโกรธจิตตอนนี้มันมันไม่ดีแล้ว จิตมันเริ่มรู้สึกไม่ชอบใจขึ้นมาก็ต้องเอาจิตมาเล่นงานจิตใช่ไหมก็เอาจิตที่ดีของเราเนี่ยมาเล่นงานจิตที่มันไม่ดีของเราที่มันคิดไม่ดีขึ้นมาความคิดที่ดีเอามาเล่นงานความคิดที่ไม่ดีซะมันไม่มีอย่างอื่นนี่คุณจะเอาอะไรมาสู้กับจิตคุณน่ะ <olho> จะเอาอะไรมาสู้กับจิตคุณกูต้องเอาจิตของตัวเองอะใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเราก็ต้องเอาจิตที่ดีแล้วจิตที่ดีของเราเนี่ยอะไร ที่จะมาใช้แก้หรือจะมาใช้ลบล้างจิตที่โกรธอาจจะใช้เมตตาก็ตามพวกเราชักจะจําได้แล้วละ่ะอาตมาเองก็ถามอยู่บ่อยๆทักนะจะจําได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยจําได้หรือเปล่าเวลาที่มันขึ้นนะะเวลาที่มันขึ้นเนี่ยบางทีโอโ้โหตําลงตาลาหายหมดแหละไม่เหลือไม่เหลือเลย มองไปทิศไหนก็มืดมนนานเสร็จแล้วตอนนี้อา้าวที่เราบอกว่าเมตตาเนี่ยอย่างเช่นเอาเราไม่ชอบใจเนี่ยเมตตาอย่างไงเราบอกว่าใช้ความเมตตาเนี่ยเมตตาอย่างไงส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าเมตตาก็คือคิดคิดดีๆกับเขาใช่ไหมอ่าแต่คิดดีๆกับเขาเนี่ยแต่ว่ามันยังยั ง, ย, งยังออกไปไงมันยังออกไปที่คนอื่นมันยังไม่ไม่เข้ามาสู่ที่ ที่จิตเราเพราะฉะนั้นจะพูดยังไงจะอธิบายยังไงที่จะแบบว่าว่าต้องจัดการใจของเราก่อนเนี่ยเมตตาตัวเองเพราะฉะนั้นเลยอัดมันซะเลยเอ อ, เ อ, อใช้ได้ถูกต้องสอบผ่าน <Toyota> นะก็คือบอกว่าอก็ต้องรู้จากเมตตาตัวเราเองก่อนให้เห็นเลยว่าโอโ้ที่เราโกแล้วเราทุกข์ ตอนเนี้ยนักแขกยังยิ้มอยู่เลยน่ะแขกที่เราเจอเนี่ยังยิ้มอยู่เลยนะแต่เราเนี่ยจริงๆโอ้โหกําลังทุกข์กลังเจ็บปวดกําลังทรมานกําลังอึดอัดกาลังโอ้หัวเหอตัวเตอร้อนเผาหมดแล้วเพราะอะไรเพราะโกรธอยู่เนี่ยเรากําลังเจ็บปวดทรมานอยู่เนี่ยเห็นเลยเห็นจิตของเราเองเลยเพราะนั้นเออเมตตาสงสารเราเหอะ ยังไม่จำเป็นเมตตาสงสารเขาหรอกเมตตาสงสารเราเหะนณะวัดเนี่ยตอนเนี้ยเรากาลังทุกข์อยู่เพรีบรี บ, รบดับรีบคลายไฟโทสะนี้ของเราใช่ไนะอ่ะตอนนี้จะคิดยังไงล่ะคะเนี่ยคิดยังไงคิดยังไงบ้างที่จะทําให้ไฟโทสะเนี่ยที่ที่เราบอกว่าเนี่ยเรากำลังทุกข์เราจะได้ไฟนี้จะได้มอดจะได้ดับลงไปได้ หาสาเหตุของปัญหาไม่ชอบใจเพราะเพราะเขาไม่ให้เรายืมเงินอีกนะเ้าจะแก้ไงอ่ะตอนเนี้ยรู้ต้นเหตุแล้วเพราะเขาไม่ให้เรายืมเงินอีกก็ทำใจนะไม่ง้อก็ได้นะ เด๋ยวไปยืมคนอื่นคนที่ยืมไม่ได้ไปยืมคนต่อไปอีกอย่างกันเนาะเออเอาจริงๆถ้าคิดไปเรื่อยๆมันก็มีวิธีนะถ้าเราคิดแก้ที่ที่ตัวเราเองพยายามโดยที่บางทีเรากคิดว่าเออแหมเราก็มีสัดสีบ้างนะเอาวันนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวก็ค่อยอะไรบําเพ็ญเพียรค่อยหาทางที่จะทําให้เพิ่มรายได้มากขึ้น อะไรต่ออะไรเงี้ยนะก็หาวิธีครับโดยโดยคิดที่แก้ที่ตัวเราเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนว่าตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยก็เพื่อที่ให้เราเนี่ยหัดหัดแก้ที่ตัวเราให้ได้เองเพราะว่าถ้าเราจะให้คนอื่นมาแก้ให้เราเนี่ยมันก็ได้แต่มันได้บางครั้งบางคราวมันจะไม่ได้ตลอดไปแล้วมันก็ยังไม่ใช่เป็นการได้จริงนะอย่างเช่นเราจะแก้ความโกรธเนี่ยโดยที่เรียกว่าอา้าวให้เขามายอมเรา จริงเราก็ลดความโกรธลงไปได้แต่ น, นี่มันของปลอมไม่ใช่ของจริงเพราะที่เราลดความโกรธลงไปได้เพราะเขามายอมให้เราอะ่ะถ้าเดี๋ยววันหลังเราไปเกิดเจอคนอื่นที่ไม่ยอมให้เราเราก็โกรธอยู่อย่างนั้นน่ะเราก็ลดไม่ได้เพราะไอ้ที่คราวที่แล้วหายโกรธเนี่ยเพราะว่าคนอื่นเขาเขาช่วยคือคือถ้าโดยส่วนตัวเราเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ล้างความโกรธของตัวเราได้จริง แต่เป็นคนอื่นต่างหากแหละช่วยเราใช่ไหมส่วนคนอื่นเขานี่นะจริงๆแล้วคนอื่นน่ะเขากับเขากับจะอ่าได้ด้วยซ้ําไปเพราะว่ากลายเป็นเขานั่นแหละมาเมตตาเราใช่ไหมเขาเห็นเราโกรธ น, นี่โอ้โหคนนี้โกรธแล้วเออก็สงสารคนนั้นอยอมให้คนนั้นไปก็แล้วกันกลายเป็นคนอื่นนั่นได้เราเองเนี่ยไม่เพียงแต่เราไม่ได้เมตตาอะไรทั้งนั้น รัวไปทั้งเรายังเป็นหนี้เขาอีกด้วยรัวเรานี่เป็นหนี้เขาไปแล้วแต่คนนั้นจะรู้ตัวไหมกับดีใจนะดีใจตรงเออแหมเขายอมเราแล้ก <c oughs> ดีใจที่เป็นหนี้ <c oughs> แทนที่จะเอรู้สึกว่าโอ้โหตายแล้วขาดทุนแล้วนะแทนที่เรานี่จะเมตตาตัวเราเองก็ได้ทําไมต้องให้คนอื่นเข้ามาเมตตาเรานะเราถึงจะเย็นลงได้นะอันเนี้ย นะเพราะฉะนั้นนักสู้ที่ดีเนี่ยไม่โกรธง่ายส่วนผู้พิชิตที่ยิ่งใหญ่ไม่สู้ในเรื่องเล็กน้อยฟังให้ดีนะคําว่าไม่สู้ในเรื่องเล็กน้อยหมายถึงว่าไม่ไปเอาเรื่องเอาราวเรื่องอะไรที่มันเล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยแหมคิดหยุ่งคิดยิมดย้มนะอะไรอะสายตาอย่างงี้มองเราสายตาอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะตาอย่างเนี้ย ตาไม่สามะคีกันอย่างเงี้ยมองเราแล้วไม่สร้างความสามะคีไม่ใช่คนตาเหลนะหมายถึงแม้มองเราแบบเออาหาเรื่องเนี่ยตาแบบนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวบอกตาไม่สามะคีเลยบอกว่าคนตาเหล่มองนะคือเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยนะโอ้โหไม่มาคิดยุ่มยิ้มเราบางทีคนอื่นเขาพูดพลาดบ้างอะ่ะคือเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเจตนาจะพูดพูดแล้วให้เราโกรธ บางทีเขาก็ไม่รู้นะว่าเราถือสาคำพูดพวกนี้อย่างเช่นบางคนถือสาคำว่าทุเรศแต่แต่อีกคนหนึ่งเขาไม่ได้นึกอะไรนะเขารู้สึกเขาก็พูดกับใครต่อใครเขาก็รู้สึกธรรมดาปรากฏว่าเกิดไปพูดด้วยแล้วก็เกิดพูดกันขึ้นมาพูดทุเรศอะไรขึ้นมาอย่างนี้อ้าวไอ้คนนั้นเลยถือสาเลยแต่จริงๆเจ้าตัวเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ถือสาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย คือบางทีมันเป็นเรื่องหยุมหยิม้มเป็นเรื่องอะไรต่ออะไรที่เอไม่น่าจะถือสาก็ไปถือสาเพราะนั้นนี่ผู้พิชิตนะอันนี้ไม่ใช้คําว่านักสู้แหละอันแรกนี่ใช้คําว่านักสู้ที่ดีไม่โกรธง่ายแสดงว่ายังต้องสู้อยู่เพราะยังมีโกรธอยู่ไงเพียงแต่บอกว่าไม่โกรธง่ายเท่านั้นเองใช่ไหมเพราะยังเป็นนักสู้ที่ต้องสู้ไปเรื่อยยังไม่ใช่ผู้พิชิตแต่ประโยคที่สองนี่เขาใช้คําว่าผู้พิชิต แสดงว่าแนา่ต้องต้องฝึกฝนมาแล้วต้องชนะมาอะไรอะร้อยเอ็ดเจ็ดย่านสมุดมาแล้วทาให้เรียกว่าถึงจะเรียกว่าเป็นผู้พิชิตได้แล้วยังไงเนี่ยไม่ไม่สู้นะไม่ไปสู้ในเรื่องเล็กน้อยคือไม่ไปเอาเรื่องคนในเรื่องเล็กน้อยแต่ตอนนี้เราก็บอกว่านัานมันเรื่องใหญ่ของเราอะ เรามางจะพูดอย่างนี้นี่มันเรื่องใหญ่ของเราแล้วมันจริงหรือเปล่าเขาที่ต้องย้อนถามตัวเราเองอย่าไปถามเขานะเขาว่าทุเรศนี่มันเรื่องใหญ่แต่เขาเขาบอกว่าเรื่องเล็ก อ, <c oughs> อ่ะอาเพราะนั้นต้องถามใจเราเองว่าจริงๆริฮะเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่จริงเหรอนะแค่บางทีเราได้ยินได้ฟังเนี่ยคนเขาพูดออกมาอย่างเงี้ยเอมันใหญ่จริงๆเหรอ จะต้องฆ่าแกงกันตายเฉยอขนาดนี้หรือจะต้องทะเลาะกันจะต้องมาเถียนกันมาด่ากันเอะต้องถึงขนาดนี้เหรอแค่แค่เข้าใจกันผิดหรือว่าแค่พูดอะไรผิดพลาดออกมาซึ่งบางทีเราถามไปถามตัวเราเองถามไปทำบางทีไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเลยเรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่บางคนเนี่ยชอบคิดเป็นเรื่องใหญ่คือคือเราเอาตาม กิเลสเราที่เราสะสมมา <c oughs> เราเคยไม่ชอบใจเรื่องนั้นเรื่องนี้มันสะสมมาความไม่ชอบใจมันพอเราสะสมมาสะสมมาสะสมมาสะสมมาเรื่อยๆเราก็เลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะสะสมความไม่ชอบใจนี่เรากำลังพูดในแง่ความโกรธนะก็เลยกลายเป็นถ้าใครทำอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะคนนั้นสะสมจริงๆแล้วคนนั้นเนี่ย แสดงว่าไม่ได้ฝึกความเป็นนักสู้มาก่อนถึงได้สะสมมาเยอะขนาดนี้ถ้าฝึกความเป็นนักสู้มาเนี่ยนะถึงบอกว่านักสู้ที่ดีไม่กดง่ายเนี่คนนั้นแสดงว่าคนานั้นจะต้องพยายามละพยายามอาจจะชนะบ้างแพ้บ้างนะสู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างแสดงว่าคนนักสู้คนนั้นยังเป็นนักสู้อยู่คือยังสู้อยู่ถ้าตาดไดคนนั้นยังสู้อยู่เนี่ยคนนั้นก็มีแพ้บ้างชนะบ้างมาเรื่อย เพราะนั้นในที่สุดคนนั้นเนี่ยความโกรธจะลดลงเรื่อยๆจะลดลงเรื่อยๆเ <c oughs> พราะในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเขาสู้ไปเรื่อยๆ <c oughs> เขาจะชนะมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งถ้าถึงที่สุดก็จะเป็นผู้พิชิตนะอย่างพระเจ้เจ้าเนี่ยเราใช้คําว่าเป็นผู้พิชิตนะคือชนะชนะมาหมดแล้วเขาเรียกว่าผู้พิชิตเพราะฉะนั้นเมื่อถึงขั้นเป็นผู้พิชิตแล้วเนี่ยตรงข้ามแล้ว เรากลับสะสมสะสมตัวที่ความโกรดน้อยลงมาเรื่อยๆไงใช่ไหมความเย็นกลายเป็นเราสะสมความเย็นเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้น เ, เพราะอย่างนั้นเมื่อเป็นผู้พิชิตเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเรื่องไหนยิ่งเห็นชัดเลยโอ้โหเรื่องนี้ยิ่งจะมาทําให้เราโกรธในะเรื่องใหญ่ๆโตโตเนี่ยโอ้ยิ่งเรามัดระวังเพราะยิ่งไม่ ไม่มีทางเลยที่จะให้มันโกรธตรงข้ามแล้วคราวนี้เรื่องใหญ่เนี่ยทําให้เราโกรธก็ไม่ได้ก็จะเหลือเรื่องเล็กๆเรื่องเล็กๆล็น้อยก็คิดดูสิสู้มาเจอกระทั่งเย็นขึ้นเรื่อยเย็นขึ้นเรื่อยเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยจะไปถือษาทําไมยิ่งไม่อยากถือษาเลยเพราะอะไรเพราะผู้พิชิตเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ากว่าจะชนะมาได้เรื่อยๆเนี่ยนะจนกระทั่งถึงที่สุดแล้วเนี่ย ต้องสะสมการต่อสู้กว่าจะเย็นมาได้ขนาดนี้ในทำนองเดียวกันคนที่โกรธง่ายเนี่ยก็ไปสะสมความร้อนหุดหงิดขี้บุงโห o v e ขี้รคาญก็พราคนนั้นไปสะสมความร้อนเนี่ยวันนิดวันหน่อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยคนนั้นถึงได้โกรธง่าย